ข้อความในจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วนีม่มาึ้นสุตโสมจริยาจริยาวัดของพระเจ้าสุตโสมข้อ32พระพุู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าให้ทั้งพระสารีบุรฟังต่อไปว่าอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินนามว่าสุตโสมถูกพระเจ้าโปิษาจับไปได้เราระลึกถึงคา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 เรารับคำพระยาโปริสนั้นว่าจะกล่าวยายถึงการมาของเราแล้วเข้าไปยังพระนครอันเรื่นรมมอบราชสมบัติแล้วในกาละนั้นเพราะเราระลึกถึงธรรมของสัตว์บุตรเป็นธรรมที่เป็นของเก่าอันพระพุทธเจ้าเป็นต้นเสพแล้วได้ให้ทรัพย์แก่พรามแล้วจึงเข้าไปหาพระยาโปริษ ในการมาในสำนักของพยาปริาสานั้นเราไม่มีความสงสัยว่าจักฆ่าหรือไม่เราตามรักษาสัจจะวาจายอมสละชีวิตเข้าไปหาพยาปริาสานผู้เสมอด้วยความศักดิ์ของเราไม่มีนี้เป็นสัจจะบา ร, รมีของเราชนี้แหล่ในก็เน้นสัจจะบา ร, รมีของพระโพธิสตัตว์เนี่ยนะท่นการประพฤติปฏิบัติเพื่อความตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องอาศัยจริยาการประพฤติสั่งสมบูรณ์กุศลมิใช่น้อยหนึ่งในนั้นก็คือสัจจะสัจจะนั้นถือว่ามีความสำคัญมากเป็นธรรมที่เรียกว่าพุทธกรากะธรรมเป็นธรรมที่ให้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินว่าในกาลนั้นพระโพธิสัตว์นี้อุบัติในพระคันของพระอัครมหสีของพระเจ้ากรุรพยะในกรุงอินทปัตตะแควนกุรุ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 มองแต่ไกลๆเนี่ยจะเห็นในความเป็นผู้ที่มีความผุดพองเนี่ยนะความที่เป็นผู้ผุดพองเลยเรียกว่าเสมอกับพระจันทร์ครั้นพระกุมารสุตสมเจริญวัยสำเร็จศิลปะทุกแขนงพระมารดาพระปิดาก็อภิเษกเอาไว้ในราชสมบัตินั่นะพูดถึงพระเจ้าพาราณสีเนี่ยนะ คือพระโพธิสัตว์เนี่ยอยู่ในแคว้นกุรุใช่ไหมในในสูตรนี้พระโพธิสัตว์อยู่ในแคว้นกุรุทีนี้พูดถึงพระเจ้าพารณสีนะอีกอีกเมืองหนึ่งอยู่คนละแคว้นกันพระเจ้าพารณสีซึ่งจริงๆก็คือเพื่อนเก่าของพระเจ้าสุตโสมพระเจ้าพารณสีนั้นโดยปกติแล้วถ้าไม่มีเนื้อไม่สวยพระกยาหารต้องทุกมื้อต้องมีเนื้อประกอบหมด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 ข้าพเจ้าจะเอาเลือดที่ลำคอของกษัตริย์1น1รในชมพูทวีปทั้งสิ้นมาทำพลีกรรมขอให้แต่แผลหายเป็นปกติเถอถ้าแผลหายจะเอากษัตริย์เนี่ยเอาเลือดในลำคอเนี่ยมาล้างโคนไส้เลยแหละทีนี้ก็นอนรักษาแผลเมื่อแผลหายเป็นปกติเพราะอดอาหารมาเจ็ดวันหมายถึาว่าเนื่องจากพอลดอาหารลดอะไรลงไปนอนไม่ขยับนอนรักษาอยู่นั่นแหละ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 ไม่ปราถนาพลีกรรมก็เลยคิดว่าเราจะหาอุบายห้ามพระยาโพธิศาสนั้นน่ะซึ่งมาในรูปของนักบวชก็เลยแสดงตนเนี่ยนะโดยรูปของนักบวชให้พยาโปริศาสเห็นพยาโปริศาสพอเห็นก็ติดตามเดินตามเทวดานั้นสิ้นหนทางสามโยชน่ะเดินไปไกลมากแล้วก็แสดงรูปทิพย์ของตนให้ปรากฏแล้วก็กล่าวว่า ท่านเนี่ยพู้เท็จนะต่อว่าพระยาปริาสาตว์ว่าท่านเนี่ยพูดเท็จท่านบ่นเอาไว้ว่าคือบ่นเอาไว้ว่าจะเอาพระราชาในทั่วชมพูทวีปมาทําพลีกรรมบัดนี้ท่านนําแต่พระราชากระจอกกระจอกมาหากท่านไม่นําพระเจ้าสุตโสมผู้ยิ่งใหญ่ในชมพูทวีปมาเราไม่ต้องการพลีกรรมของท่านเราสนใจเลือดในลําคอของพระเจ้าสุตโสมเท่านั้นไอ้พระราชาองค์อื่นกระจอกหมดนั่นก็พระยาชากระจอกก็จับ ม, มาไม่ยากแต่ว่าไม่เป็นที่สนใจของเรา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 รอก่อ น, เ, นเมื่อพญาโพริษาสไปภายในพระราชุิทยานนั่นแลตอนใกล้รุ่งพวกราชบุรุษก็จัดอารักขาสิ้นสามโยต์โดยรอบพระโพธิสัตว์นั้นก็เสด็จประทับบนคอโคชสารที่ตกแต่งแล้วเสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยเสนาศีเหล่าแต่เช้าตรู่ในกาลนั้นนันทพรามนันทพรามมาจากเมืองตักกศิลา ได้ถือเอาสตารหะคาถาสี่บทเดินทางไปประมาณร้อโยชนโย์ไปจนถึงพระนคร น, นั้นไปก็ไปเห็นพระราชาออกทางประตูด้านที่ตะวันบือออกก็ยกมือขึ้นทูลว่าขอพระมหาราชจงทรงพระเจริญนการว่าถวายพระพรว่าขอพระองค์จงทรงพระเจริญพระราชานั้นพอได้ยินเสียงสรรเสริญเนี่ยนะอวยชัยให้พรขอให้ทรงพระเจริญ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 ในเวลาแต่งพระองค์พระราชาก็จะหนักเกินไปนี่ถ้าเอาพวกเพชรนินจินดาเป็นต้นมาประดับพว ร, รากายพระราชาหนักเกินไปเนี่ยแบกเนี่ยเป็นภาระเอาเถอะเราจะจับพระราชาตอนที่ยังเบาก็เลยแผดเสียงแก่งพระขันประกาศชื่อว่าเราชื่อว่าโปริซัดแล้วก็โผล่จากน้าชื่อดังมากเลยนะชื่อดังเพราะว่าจับกษัตริย์ไปแล้วร0อยเอ่อหนึ่งรหงรหัวเมืองเนี่ย พอได้ยินคําว่าโปริศาทเท่านั้นแหละควานช้างเป็นต้นได้ยินเสียงของพญาโปริศาทก็ตกจากช้างยืนอยู่อะเกดว่า น, นั่งอยู่บนช้างอย่างตกช้างเลยว่างั้นตกใจมากกเสียงนี้หนักกว่าเสียงผ้าผายหมู่ท ห, ทหารที่ยืนอยู่ในที่ไกลกว่า น, นี้ไปจากนั้นหทหารได้ยินเนี่ยเพ่นหมดอยู่ที่ใกล้ก็ทิ้งอาวุธนอนมอหอบลงเลยพญาโปริศาทก็อุ้มพระราชาประทับนั่งที่คอกระโดดข้ามกําแพงสูง18ศอกไปต่อหน้า อันนี้ด้วยอนุภาพมนตที่ได้เรียนมาจากยักษ์น่ยนะก็เลยเหยียบกระพองช้างตกมันที่แล่นไปข้างหน้าให้ล้มลงดุดล้มเยอะดุดยอดเขาล้มหมายคือว่าช้างเนี่ยได้ยินเสียงปยาโปริศาสตช้างเนี่ยหนีไปเนี่ยนะแล้เจ้านี่วิ่งเร็วกว่าช้างไปเหยียบช้างสลมเลยนะวิ่งไปอีกก็ไปเหยียบม้าแก้วล้มไปอีกเนะีเร็ววิ่งเร็ววิ่งกว่าม้าไปเหยียบม้าสล้มเลยแล้วก็เหยียบงอนรถให้ล้มลงดุดหมุนดุดลูกคาง ดุดขยี้ใบต้นไทรสีเขียวไปสิ้นหนทางสามยอดด้วยความเร็วแปบเดียวเท่านั้นก็ไม่เห็นใครติดตามมาเรวิ่งด้วยความรวดเร็วมากแปบเดียวเนี่ยนะดกิโลเมตรเนี่ยแปบเดียวพอผ่านไป48ดกิโลเมตรไม่มีใครตามมาแน่คิดว่าปลอดภัยแล้วก็ค่อยๆเดินไปอยอดหยาดน้ำบนพระเกศาของพระเจ้าสุตโสมก็หล่นลงบนตนสำคัญว่าหยาดน้าตาก็กล่าวว่านี่อะไรกัน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 คนะาถาสี่บทเนี่ยนะหรือสี่บาทที่พระทศพลพระนามวัคษป ะ, สะแสดงเอาไว้คือเป็นพระพุทธพจน์เนี่ยนะที่พรามเนี่ยเขาเรียนมาพรามเขาเรียนมาเนี่ยคาถาแต่และคาถาเนี่ยมีราคาร้อยหนึ่งเรานี่ได้พัดเพี้ยนว่าเราจะไปอาบน้ำแล้วจะกลับมาฟังนะเราคอร้องหน่อยนะท่านรอจนกว่าเราจะมาแล้วเราไปพระราชอุทยาน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 ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราถูกพยาปริศาจับไปได้ระลึกถึงคำผัดเพี้ยนที่พูดเอาไว้กับพราหมณ์พยาปริศานั้นเอาเชือกร้อยฝ่ามือกษัตริย์1 0่เอาไว้แล้วทำกริย์เหล่านั้นให้ได้รับความลำบากนำเราไปเพื่อต้องการทำพลีกรรมนกาวว่าจะให้มันครบ101หนึ่งพอดีจะได้เอาเลือดในลำคอเวว่าบนบานสารกล่าวต้นใส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 เมื่อเราพ้นจากท่านหมดนี่แล้วรักษาความสัตย์นะนะไปกลับไปรักษาความสัตย์แล้วเราจะกลับมาอีกพยาปริษศทสก็คิดว่าสุดโตนี่กล่าวว่าเราขอสาบานไอการขอสาบานเนี่ยปกติกษัตริย์ไม่ควรทำเนี่ยนะเพราะทั้งคู่ก็เป็นกษัตริย์ทั้นกษัตริย์นี่ไม่ควรไม่ควรสาบานแม้สุดโมไปแล้วไม่กลับะนะแตะ่พยาปริษศทสก็บอกเลยว่า ถึงท่านไปไม่กลับท่านก็ไม่พ้นมือเราไปได้ก็เลยปล่อยไปอ้าวปล่อยไปก่อนกะไรก็แล้วกันความว่าความพัดเพี้ยนใดอันท่านผู้ตั้งอยู่ในความเป็นอิสระในแคว้นตนได้ทำไว้กับพรามดูก่อนพรามท่านปฏิบัติความพัดเพี้ยนนั้นแล้วเป็นผู้รักษาความสัตว์จงกลับมาอีกอนนะถึงจะเป็นโจรอย่างนั้นก็ยังสนใจคำสัตย์อยู่เหมือนกันนะบอกเออไปเถอะเนี่ยนะท่านใดปฏิญาณเอาไว้แล้ว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 จึงพักอยู่นอกพระนครเพราะเกรงคระหาว่าให้พระราชาแก่พระยาปุริศาสตรแล้วก็กลับมาคือพวกอมาร์ตเนี่ยนะเขาก็คิดอยู่ว่ายังไงยังไงเสียพระยาปริศาสตรก็ต้องปล่อยพระเจ้าสุตโสมแน่เพราะพระองค์นี่เป็นบัณฑิตเดี๋ยวก็สั่งสอนโอวาทแนะนําพระยาปริศัทตร์ก็ใจอ่อนเดี๋ยวก็ปล่อยกลับมาก็รอก่อนไม่กล้าเข้าเมืองถ้าเข้าเมืองเดี๋ยวก็ว่าเอาพระราชาไปทิ้งเสร็จแล้วก็พากันเข้าเมืองเดี๋ยวก็กลายเป็นว่าตัวเองเป็นพวกกบฏ ก็เลยกลัวเนี่ยนะกลัวคำคอระหาโดยประการต่างๆก็เลยเอรอรอดูก่อนพอเห็นพระโพธิสัตว์เสด็จมาแต่ไกลก็เลึกขึ้นตอนรับถวอยบังคมกระทาปฏิสันถานว่าข้าแต่มหาราชพยาโพริศาททาพระองค์ให้ลาบากบ้างหรือเนาะพ oh ระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่ากรรมที่แม้พระมารดาบิดาของเราทําได้ยากพระโพพญาโพริศาทก็ oh a, ได้ทาแล้ว ไม่น่าเชื่อนะขนาดพ่อแม่เราก็ยังทํายากนะผู้ที่ตกอยู่ในเงื้อมมือแล้วขอร้องยังกลับมาได้เนี่ยพยาบริษัานี้ก็แน่จริงๆเหมือนกันนะกล้าปล่อยกลับมาแม้กระทั่งพ่อแม่เนี่ยปกติเนี่ยพ่อแม่ยอมไหมให้ลูกไปแบบเนี้ยนะแม้ว่าปล่อยลักษณะเนี่ยพ่อแม่ยอมไหมบอกไม่ยอมแต่พยาบริศานี่ทาได้ทําได้ยิ่งกว่าพ่อแม่ของเราซะอีกว่าือนกันพระจันทร์ว่องไวถึงป่านนั้นยังเชื่อเราแล้วก็ปล่อยเรา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 แล้วก็นำคำภีที่ตัวเองพอใจออกจากถุงแสดงว่าจดข้อเขียนมาใส่กระเป๋ามานะถุงดึงข้อเขียนออกมาจับด้วยมือทั้งสองก็ทูลว่าข้าแต่มหาราชขอได้โปรดฟังเถิดพระเจ้าค่าเมื่อจะอ่านคำภีก็ได้อ่านกล่าวคาถาทั้งหลายซึ่งคาถานี้ถือว่าเป็นคาถาที่สำคัญมากบัณฑิตทั้งหลายช่วยปกปักรักษามานานถึงาศาสนาจะสิ้นแล้ว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 ได้บรรลุเป็นพระารหารกันเกือบหมดเลยนะเพราะผลของการครบสัตว์บรุษพั้นการครบสัตว์บรุษคบพระรัตนตรายการรู้จักพระรัตนตรายเนี่ยนะโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการพบการเห็นรักษาผู้นั้นไม่ให้ไปอบายทุกติวินิบาตนารกขณะเดียวกันก็ช่วยรักษาผู้นั้นให้เกิดการตรัสรู้ธรรมมันการครบกับสัตว์บรุษแม้แต่คราวเดียวเนี่ยนะก็รักษาผู้นั้น ส่วนการสมาคมมากกับอาศาัตรูหลุษรักษาไม่ได้รักษาอะไรได้บัางควบศาสตร์บุรุษเนี่ยนะรักษาความเป็นมนุษย์อย่างรักษาไม่ได้เพราะอาศัตรูหลุษชวนไปไหนก็ Questo ชวนทําชั่วก็พาไปสู่อบายทุคติวินิบาตานรกเนี่ยนะรักษาอะไรไม่ได้เลยนอกจากสูญเสียทรัพย์สูญเสียคุณธรรมสูญเสียข้อปฏิบัติสูญเสียศีลสมาธิปัญญาสูญเสียมงคลทั้งหลายทั้งปวงเลยก็เพราะการคบกับ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 อสัตบุรุษก็คือคนที่ชักชวนพาทำความชั่วทางกายวาจาใจเนี่ยนะนะรู้สัตธรรมของสัตบุรุษประเสริฐไม่ลามกเลยที่สําคัญก็บอกว่าถ้ารู้สัตรรมสัตรูอันต่างโดยปริยัตปฏิบัติปฏิเวทหรือต่างโดยโพธิปักฉิยธรรมหรืออริยสัจธรรมนะถ้าหากว่ารู้อริยสัจธรรมเหล่านี้แล้ว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 นะราชรถเนี่ยนะถ้าไปที่ใกล้ๆสนามหลวงก็ได้นะพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินี่จะเห็นราชรถเก่าค่ําคร่าเนี่ยนะแล้วไม่ก็ที่เราเห็นป่าชารถ์ทั้งหลายเนี่ยนะก็เห็นว่าเออราชรถรถงดงามวิจิตรลวดลายขนาดไหนสิ่งเหล่านั้นก็ยังคร่าคร่าได้แม้ร่างกายก็เข้าถึงความคร่าคร่าเนี่ยนะอีก20ปีมาดูใหม่กันเถอะที่นั่งอยู่เนี่ยนะมันก็เดี๋ยวก็คร่าคร่ากันหมดแล้วเนี่ยนะ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 กับสัมมาทิฏฐิก็ห่างกันมิจฉามักระับสัมมามัก็ห่างกันเพราะฉะนั้นทำ อ, อาศัพปุริสธรมธรมทำของอาศัพบุรุษก็คือความไม่มีศรัทธาความทุศีลเป็นต้นเนี่ยนะห่างจากคุณธรรมทั้งหลายอากุศลกรรมบกก็ห่างจากกุศลกรรมบกบาปอากุศลธรรมทั้งหลายก็ห่างจากกุศลธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นธรรมะกับอะธรรมเนี่ยนะธรรมะเนี่ยหมายถึงมัคคสัจจะอะธรรมก็คือสมุทยัยสัจจะ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 ไม่ไม่ล้าสมัยนี่นะบอกว่าการคบกับสัตว์บรุษกัคบคบกับสัตว์บรุษเนี่ยนะเพราะว่ า, าสัตว์บรุษทั้งหลายก็คือป่าปะมิตรสัตว์บรุษทั้งหลายก็คือกาละยานามิตรเนี่ยนะันสัตว์บรุษทั้งหลายอันะ ที่เรียกว่าเป็นกาลยานามิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เป็นเหตุให้ได้ประพฤติอยู่ในอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาเป็นเหตุให้บรรลุมัตผลแต่ถ้าหากว่าครบอสสัดบุรุษก็เป็นเหตุให้ทําความชั่วทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็ไหลไปสู่อาบายทุกติวินิบาดนรกบุคคลทั้งหลายเนี่ยนะเป็นตัวเชื่อมแห่งธรรมและอธรรมถ้าครบคนชั่วก็เชื่อมไปหาอธรรมถ้าครบบัณฑิตทั้งหลายก็เชื่อมไปหา กุศลธรรมเพราะฉะนั้นการการคบสัตบุรุษคบปาร์ไดคบแค่ไหนอย่างไรก็นําไปสู่ความเสียหายเลวร้ายเพราะพอกพูนไปด้วยบาปประธรรมส่วนคบสัตว์บรุษทั้งหลายก็จะประสบแต่คุณธรรมเนี่ยนะประสบแต่สัตยธรรมทั้งหลายพูดถึงเปรียบเทียบว่าสิ่งอื่นในโลกก็ยังเป็นสิ่งที่เก่าและข่ําค่าอย่างราชรถหรือร่างกาย แตกธรรมะของสัตว์บูรุษทั้งหลายธรรมะของสัตว์บูรุษทั้งหลายของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่รู้จักเก่าและคร่ำคราบัณฑิตคือพระพุทธเจ้ากับคนพานทั้งหลายที่เรียกว่าพวกอาศัตบุรุษทั้งหลายห่างไกล ย, ยิ่งกว่าฟ้ากับดินห่างไกลยิ่งกว่าฝั่งโน้นกับฝั่งนี้ของทะเลเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นการครบสัตว์บุรุษเป็นเหตุให้ เพิ่มพูนกุศลธรรมเนี่ยนะเพิ่มพูนโพธิปัจจะธรรมเพื่อตรัสรู้อริยสัจจะทรรมแทงตลอดพระนิพพานการคบสัตว์บุรุษนั้นสามารถรักษาบุคคล น, นั้นให้พ้นจากอบายทุกขติวินิบาศนรกรักษาบุคคล น, นั้นให้พ้นจากนะวัตตะสงสารโดยเฉพาะสามารถแทงตลอดอริยสัจจะทำพุทธพจน์ที่กล่าวไปเนี่ยเป็นของพระสัพพันยูพุทธเจ้าแน่นอนจะมีค่ายเท่าไรหร่นอ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 ก็เลยคิดต่อไปว่าแม้เราจะทำจั ก, กรวานนี้ทั้งสิ้นจนถึงพรหมโลกให้เต็มด้วยรัตนะแก้วแหวนเงินทองเป็นต้นแล้วยังเอ่อแล้วให้ยังเป็นการทำไม่สมควรไหมครับว่าถึงเราจะสามารถเอาจั ก, กรวานทั้งสิ้นประมวลให้เป็นรัตนะทั้งหมดแล้วบูชาพระธรรมที่ที่พราหมณ์เอามากราวสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดก็ยังไม่สมควรแก่คาถาเหล่านี้เลยแต่แต่เราก็พอที่จะให้ราชสมบัต ในแคว้นกุรุประมาณ300โยยอในอินทปตานาครประมาณเจ็ดยอดแก่พรามนั้นได้จริงๆเราสละราชสมบัติทั้งหมดเนี่ยบูชาพระธรรมเหล่านี้ได้แต่แต่แต่พรามคนนี้ไม่มีส่วนที่จะครองราชสมบัติได้เพราะเป็นความจริงพรามนั้นเป็นผู้มีอนุภาพน้อยอ่นะพระโพธิสัตว์นี่มองดูลักษณะของพรามแล้วก็รู้เลยว่าคนนี้ปกครองราชสมบัติไม่ได้เพราะปกครองราชสมบัติไม่ได้ ก, ก็เพราะฉะนั้นแม้ราชสมบัติถึงให้พราหมณ์คนนี้ไปพราหมณ์คนนี้ก็ไม่สามารถจะปกปักรักษาราชสมบัติได้ดีไม่ดีก็จะก่อรัฐประหารถูกฆ่าเสเร็วด้วยซ้าไปก็เลยถามว่าท่านอาจารย์ท่านแสดงคาถาเหล่านี้แก่กษัตริย์ทั้งหลายเหล่าอื่นเนี่ยท่านได้อะไรจากการไปพูดพุทธพจน์เหล่านี้ให้คนอื่นฟังเนี่ยได้ไ ด, ได้ได้รางวัลมาเท่าไหร่ได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่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 เอาถาด ท, ทองคําไปที่ยวแลกเปลียงเน่าเขาวงันเอาถาด ท, ทองคําที่มีราคาเป็นแสนไปแลกเปรียงเน่าพระองค์ก็ตรัสแล้วในสุปินะชาดกเนี่ยนะมาสุปินะชาดกว่าอนาคตต่อไปพระพิสุทธ์ทั้งหลายจะแสดงธรรมที่ควรแก่โลกุตระเพื่อแลกกับหาปะัะเนี่ยนะฟังก็แสดงว่าที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลฝันว่ า, านะว่าเรียกว่าเอาถาด ท, ทองคำเนี่ยมาแลกกับเปรียงเน่าเนี่ยนะ มาแรกกับสิ่งที่ไม่ควรค่าเลยเนี่ยนะเอาถาดทองคำไปเร่ขายราคาบาทสองบาทเป็นต้นเนี่ยนะก็ถือว่าคนที่เรก ข, ขายไม่รู้จักสินค้าของตัวเองเพราะไม่รู้ว่าคาถาเหล่านี้คู่ควรกับความพ้นทุกข์ถามว่าอะไรในโลกนี้มันช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆบ้งงางอ้าลองลอ ง, ลองแสวงหาดูเถอะสิ่งในโลกนี้ที่เป็นมหาภูตรูปเนะี่ย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 อบายทุกขติวินิบาณนรกแต่ธรรมทั้งหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ตรัสเอาไว้ธรรมะเหล่านั้นนำมาซึ่งความพ้นทุกข์นำมาซึ่งความดับทุกข์เพราะาสินค้าคือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยคู่ควรแก่อมตะที่ท่านบอกว่าอัปปมาโนธรรมโมเนี่ยนะพระธรรมนั้นเป็นสิ่งที่หาค่าไม่ได้แต่เนื่องจากว่ารู้เรียกว่าจ่ายตามคุณสมบัต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 พระโพธิสัตว์พอให้ทรัพย์สี่พันแล้วก็ให้รถไปอีกคันหนึ่งอะไรก็ยานน้อยเป็นสุก็คือให้รถไปอีกคันหนึ่ ง, งนะส่งพราหมณนั้นไปด้วยสการะและสัมมาณะอันยิ่งถวายบังคมพระมารดาพระบิดาแล้วก็ทูลว่าหม่อมชั้นได้ให้ปฏิญญาไว้แก่ บ, บริษัทว่าเราบูชาพระสัตธธรรมรัตนะแก้วคือพระสัทธธรรมนะคือพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสเอาไว้ที่พราหมณ์นํามาแลว้ว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 อย่าไปหาโจรเลยลูกหยิงฟ้อนทั้งหมืนบริวารชนที่เหลือก็อพากันร้องให้ว่าข้าแต่เทวะพระองค์เนี่ยทำให้พวกหม่อมชั้นไร้ที่พึ่งแล้วพระองค์จะเสด็จไปไหนก็ได้เกิดโกลาหลขึ้นอีกครั้งว่าได้ยินว่าพระราชาจะเสด็จไปหาโจรอีกจะกลับไปหาโจรเหนนะ่นะพระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าธรรมดาการตามรักษาคาสัตว์เป็นปฏิญญา เป็นหลักปฏิบัติของสาตุ์สัตบุรุษสัตบุตรคนดีทั้งหลายเขาทํากันอย่างนี้แหละเนี่ยนะพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์ที่ตรัสรู้พระเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นก็ดํารงอยู่ในคําสัตว์ทั้งหมดนั่นแหละแม้ปุริศาทนั้นก็ยังเชื่อเราแล้วปล่อยเราออกมาก็เพราะว่าเรามีคําสัตว์นี่แหละปริศาทจึงปล่อยเรามาเพราะฉะนั้นเราจักไปละถวายบังคมพระมารดาพระบิดาแล้วก็ทรงสั่งสอนชนที่เหลือ พวกนางสนมกำนันเป็นต้นมีน้ำตานองหน้าร้องให้มีประการต่างๆแต่ก็ต้องตามไปส่งนะนะออกนอกพระนครพระองค์ก็เอาไม้เนี่ยขีดขวางทางบอกชนเราอื่นไม่ต้องไปกลับเตอะเนี่ยนะขีดบอกว่าแผดถามว่าแผ่นดินนี้ทั้งหมดของใครของพระองค์บอกว่าก็เลยขีดเส้นถ้าหากว่าเป็นของเราใครก้าวล่วงคนนั้นชื่อว่าไม่เคารพเราก็เลยมีใครกล้าก้าวล่วงกลับกําหมดและพระองค์ก็ตรัสว่าอย่าล่วงเลยเส้นขีดของเรานี้ยแล้วก็เสด็จไป มหาชนไม่อาจจะละเมิดพระดำรัสของพระโพธิสัตว์ผู้ทรงเดชได้ก็เลยพากันคร่ำครวญร้องให้ด้วยเสียงดังก็พากันกลับันนะก็บทว่ารัชชัิยาทะยิงตถาความว่าในการละนั้นเราประสงค์จะไปหาโพธิสัตว์จึงมอบราชสมบัติประมาณ300โยชนดแก่พระมารดาพระบิดาว่าขอพระองค์จงทรงปกครองราชสมบัติของพระองค์เถิดเพราะเหตุร เราจึงมอบราชสมบัติทําไมตั้งคําถามว่าทําไมจึงคืนราชสมบัติถวายแก่พ่อแม่คืนก็เพราะเราระลึกถึงธรรมของสัตบุรุษเพราะธรรมดาว่าการทําตามคําสัตย์ปฏิญญาเป็นประเพณีเป็นวงตระกูลของพระมหาโพธิสัตว์ผู้เป็นศัตบุรุษคือเป็นคนดีพระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายคือผู้ที่สแสวงหาการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ดํารงอยู่ใน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 เพราะว่าได้ยืนยันไว้แล้วว่าขอกลับไปทำบุญก่อนเมื่อกลับไปทำบุญเสร็จแล้วก็จะจะกลับมาหาคืนบทว่านัติเมสังสยังเอ่อสังสยตถะความว่าในกาละไปหาพระยาปริสัทนั้นเราไม่มีความสงสัยว่าพระยาปริสัทจะฆ่าเราหรือไม่ฆ่าเนาะเรายรู้อยู่ว่าปริสัทนั้นดุร้ายป่าเถื่อนเตรียมฆ่ากษัตริย์100พร้อมกับเราทาพลีกรรมแกเทวดา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 อัตเมตตาและอุเบกขาท่านตามรักษาบารมีอุปบารมีปรมามทตาปรมีทั้งหมด น, นะไม่ได้ตามรักษาชีวิตไม่ได้ตามรักษาสิ่งอื่นแต่ตามรักษาคุณงามความดีตามรักษาคุณธรรมตามรักษาข้อปฏิบัติที่จะทําให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอันหนึ่งเมื่อพระโพธิสัตว์เข้าไปหาพญาโปริศาทแล้วก็เห็นพระพักของพระโพธิสัตว์นะักปริศาทเนี่ยเห็นพระพักมีสงา่าดุจกลีบบัวแย้มก็เลยคิดว่า พระเจ้าสุดโทมนี้ไม่กลัวตายจึงมาปกติเนี่ยคนจะมาตายเป็นยังไงหน้านี่ง้อยเลยนะเรียกว่าพอแค่ก็อะไรนะสมัยใหม่พอตรวจเจอว่ามีโรคร้ายอยู่ในตัวแค่นั้นเลยตายเร็วขึ้นเลยเรียกว่าไม่มีใครมาฆ่าอะไรนะเพียงแต่รู้ว่าตัวเองเกือบจะตายแล้วก็ตายเร็วขึ้นแต่นี่ไม่นะก็วิ่งไปหาคมหอกคมดาบก็ไม่ได้กลัวอะไรหรอกพระเจ้าพระเจ้าโปริศาทก็เลยคิดว่านี่มันอะไรกัน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 พระโพธิสัตว์ฟังเลยก็เลยคิดว่าโพธิสัตว์นี้เป็นคนบาปนี่ทำลามกก็คือคนบาปเราจะคมให้ละอายเสียนหน่อยหนึ่งก็เลยกล่าวถักฐางซะหน่อยเนี่ยนะแหมว่าสัจจะย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีธรรมโอ้ยท่านจะมาฟังทำไมท่านผู้ไม่มีคุณธรรมไม่มีกุศลกรร ม, มบทผู้เป็นคนหยาบคายผู้มีฝา่ามือเต็มไปด้วยเลือดเป็นนิดธรรมะจะมีมาแต่ไหนท่านจะฟังไปทำไม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 ห่างได้เท่าไรา ย, ยิ่งดีเพราะว่าถ้าหากว่าเรารู้ทำของสัตว์บุรุษผู้ประเสริฐกว่าไม่ลามกเลยไม่บาปเลยสามารถทําที่สุดแห่งทุกได้ราชรถวิจิตงดงามยังคร่าคร่าได้รถก็ยังเก่าเป็นแม้ร่างกายก็ถึงก็เข้าถึงความค่ําคร่าแต่ธรรมะของสัตว์บุ ร, รุษไม่ถึงความคร่าคร่าสัตว์บุรุษแลย่อมประกาศด้วยสัตว์บุรุษฆ่าแต่พระราชาฟ้าและดิน นั่นแล้วว่าไกลกันสัปฝังทะเลฝั่งโน้นฝั่งนี้ของมหาสมุทรเขาก็ว่าไกลกันธรรมะของสับบุรุษและธรรมะของอสับบุรุษบัณฑิตทั้งหลายกล่ า, กลาวกันว่าไกลยิ่งกว่านั้นบริษัทเมื่อได้ฟังคาถาเนี่ยนะกระว่ามือเพชฌฆ า, าตนักฆ่าผู้เหี้ยมโหมดเนี่ยได้ฟังเป็นยังไงบ้าง น, นะฟังแล้วก็บอกว่าพระโพธิสัตว์นิตรัส ด, ดีแล้ว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 ดีดีแต่ว่าทำไมอยู่ได้นานขนาดนี้ก็ไม่ทราบเนี่ยนะเออคยเราว่าเราว่ามันดีบ้างไงโอ้ยเราดีหมดอะ่ะขอให้เป็นเราเถอะมดีหมดอะ่ะแต่ว่าเฝ้าวัตตาอยู่ตั้งนานปริศาในความรู้สึกของเราเลวเลวก็ บ, บรรลุไปเรียบร้อยแล้วเ อ, อ๊มันเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไร ก, ก็ต่างกันเนี่ยสังเกตจากตรงนี้เลยบริษัทฟังแล้วปีติทั้งห้าคุตคาปีติอุเพงคาปีติปรณาปีติเป็นต้นเนี่ยปีติทั้ง5ท่านเกิดอะของเราฟังแล้วก็อุเบกขาเข้ามาอ่านแล้วก็เห็นแต่พูดๆนี่ก็อุเบกขาบ้างเหมือนกันนะปีติหน่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าสมควรแล้วละ่ะวัดกันดูแล้วว่าคุณภาพก็สมควรแล้วที่อยู่ได้ทนขนาดนี้บริษัทเนี่ยพอฟังแล้วก็มีใจอ่อนโยนต่อพระโพธิสัตว์ก็กล่าวว่าสุตสม ผู้สหายเนี่ยนะเรานี้ไม่เห็นเงินเป็นต้นที่เป็นของควรให้เลยบอกแม่คาถาเนี่ยสตารหะเนี่ยแต่ละคาถาราคาร้อยหนึ่งแต่เราไม่มีเงินจะให้เลยอ่ะแต่เราจะให้พรกันลวกันคาถาหนึ่งคาถาให้พรหนึ่งเนะเพราะฉะนั้นเราจะให้พรสี่ข้อเพราะคาถาสี่คาถาพระโพธิสัตว์นี่ก็รุกรานปริาตว่าท่านไม่รู้ประโยชน์แม้ของตนท่านจะให้พรกับคนอื่นได้อย่างไร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 เมื่อเราประสงค์จะฆ่ากินเนื้อในบัดนี้ก็ยังปรารถนาชีวิตของเราผู้ทําความพินาศได้อีกอุย้ยดีเหลือเกินพระโพธิสัตว์ ท, ทําไมเป็นคนดีขนาดนี้ดูสิขนาดเราจะฆ่าอยู่แล้วนะยังให้พรให้เรามีอายุยืนนานไม่มีโรคสุขภาพดีขอให้เห็นเราเนี่ยที่จริงไม่รู้ร้อว่าลวงเรียบร้อยแล้วครวารวะจริงจริงนะนะขอให้พระขอให้เราเนี่ยเห็นโพธิสัตว์ไม่มีโรคตลอดกาลานานปรารถนาปแปลว่าให้เราไอคนที่ตายไปแล้วเนี่ยจะเห็นได้ไหม ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระโพ ธ, ธิสัตว์เพราะพระองค์เป็นผู้ฉลาดในอุบายก็เรียกว่าขอชีวิตของพระองค์โดยความใคร่ขอให้โริสัทมีชีวิตอยู่ตลอดกาลนานนั้นถ้าหากว่าเราจะขอชีวิตใครนะอืมอะไรนะถ้าเราจะสมมติว่าถ้าเราปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ยืนนานนะถ้าใครให้พรก็ขอร้องวนนะ่าขอให้มีบุญได้เห็นท่านมีความสุขอายุยืนตลอดไปเนี่ยนะ คนฟังก็เลยเพิ่มเลยที่ไหนได้ที่ไหนได้ไไดอะนะจริงอะเขาขอพรตัวขอชีวิตตัวเองแล้วกันนะพรข้อที่2พระโพธิสัตว์ก็ขอว่าขอให้ท่านเนี่ยนะจงให้ชีวิตแก่กษัตริย์ตั้งมากกว่าร้อยให้ชีวิตแกะกะริย์ทั้งหมดเถอะสขอให้ท่านปล่อยกะระสับเหล่านั้นกลับเว่นแคว้นของตนอันนี้เป็นข้อที่3 4ขอให้พระโพธิสัตว์เนี่ยเว้นจากการกินเนื้อมนุษย์อันนี้เป็นข้อที่4 บริษัทบอกพรอสข้อให้ได้ให้เอาไปเลยสข้อแต่ก็ไม่ต้องการให้ข้อที่สี่บอกว่าขอข้ออื่นเถอะนะพระโพธิสัตว์บอกไหนไหนว่าจะให้หล่ะนะก็เลยถูกแคนใครบ่อยๆเข้าอ้าให้ก็ให้ก็เลยรับเอาพร4ี่อีกข้อที่4ก็เลยว่าขอไม่กินเนื้อมนุษย์พระโพธิสัตว์นั้นทําให้บริษัทหมดพยศให้บริษัทปล่อยพระราชา เสร็จแล้วก็ค่อยๆให้กษัตริย์นั้นอะ่ะก็ไปปล่อยกษัตริย์ใช่ไหมให้ปล่อยกษัตริย์ให้กษัตริย์นั้นพ้นดึงได้ออกเหมือนอะไรนะดูดดึงได้ออกจากหูของพวกเด็กๆแล้วก็ให้ปริษัทเนี่ยนำแผ่นหนังแผ่นหนึ่งที่ถู ก, กับหินนะเสร็จแล้วก็ให้ทําสัตว์จากกิริยา ทาที่ฝ่าพระหัตถ์ของกษัตริย์เหล่านั้นความผาสุกก็ได้มีในขณะนั้นเองนะฮะสายสัยจจกกิริยาก็ทําให้สุขภาพของกษัตริย์ที่ถูกแขวนเหล่านั้นเนี่ยนะก็ดีขึ้นสุขภาพดีพระโพธิสัตว์ประทับอยู่ณนะที่นั้นสองสามวันให้เยียวย า, าให้โริีสัตวนี่เยียวยารักษากษัตริย์เหล่านั้นให้หายโรคแล้วก็ทําให้ความสนิทสนมฉันมิตรไม่ทําลายกันและกันกับกษัตริย์เหล่านั้น เรียกว่าอะนะสมาทานเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นผู้หวังดีปรารถนาดีต่อกันเสร็จแล้วก็นำพระนำโปริษะนั้นไปกรุงพาราณสีพร้อมด้วยกษัตริย์เหล่านั้นกลับไปให้ดํารงอยู่ในราชสมบัติตามเดิมว่าตั้งอันนี้ไปพระองค์ก็ไม่ต้องกินเนื้อมนุษย์แล้วนะก็กลับไปครองราชสมบัติเสร็จแล้วก็ให้โอวาดว่าขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทิดเสร็จแล้วก็ส่งพระราชาเหล่านั้นไปยังนครของตนของตน เสร็จแล้วก็แวดล้อมด้วยหมู่จัตุรงคเสนาของพระองค์ซึ่งมาจากอินทปัตถานครสเสด็จกลับพระนครของพระองค์อินทปัตทานครเนี่ยนะก็น่าจะแคว้นกุรุนะแถวแถวกุรุรัตน์แถวเดลีโ น, น, นะแหละก็ให้พญาโปฤษาตเนี่ยปกครองอยู่พราราณสีพระองค์ก็ไปทางเดลีทางนูน้น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 ก็พากันทำบุญให้อ่นะทำบุญมีการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นก็สวรรคตก็ไปสู่สวรรค์โปริษจอมโจรผู้เหี้ยมโหดอ่นะพระราชาผู้ฆ่าคนในครั้งนั้นก็คือพระองคุลิมานเทระในครั้งนี้นะอุปนิสัยสั่งสมในการฆ่ามานานอ่นะแต่ก็อย่างว่าไม่มีใครเลวสมบูรณ์แบบก็ไม่มีใครดีถาวรเพชฌฆาตผู้โหดเหี้ยมก็มีมีใจปรารถนาพระมรรคผลนิพพานเหมือนกันก็ทำบุญให้ทานแต่ก็นี ผลของการครบใครครบกับสัตว์บุตรคบของอดีตชาติก็คบพระโพธิสัตว์ชาติปัจจุบันก็คบกับพระพุทธเจ้าองค์คุลิมานก็เลยตรัสรู้อริยสัจบรรลุมรรคผลตามพระพุทธเจ้ากาลหัติอมาตอมาตของพระโพของพระราชาสุตตสองก็คือภาษาริบุตรเถระนันทพรามผู้ทรงจําพุทธพจน์เนี่ยนะเที่ยวแสดงก็คือพระอนนต์นั่นเองนะแสดงว่าอัธยาศัยในการทรงจําพุทธพจน์นี่ มีมาลายชาติแล้วรุกเทวดาอานนก็คือพระมหากัะสปะเทระพระราชาทั้งหลายก็คือพุทธบริษัทพระราชบิดาพระราชมารดาก็คือตระกูลมหาราชพระเจ้าสุตโสมมหาราชก็คือพระโล ก, กนาตของเราเนี่ะ น, นี่ก็เป็นสุตโสมมจริยาที่12บสองนั่นเ